มันก็ต้องค่อยๆรวบรวมแล้วก็จะเป็นไปโดยลำดับกุศลธรรมก็เจริญโดยส่วนเดียวและที่สําคัญเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจในภายหลัง น, นะเพราะอะไรเพราะทําแต่กุศลไม่ได้ทำอกุศลกุศลธรรมที่ทําไปก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั่นเองอนะก็เขาเจริญกุศลพ่า น, นายจนุนทักกรรมมารบทผู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาบอกไม่ได้บอกว่าเออเนี่ยให้ทานเนี่เสียเวลาใช่ไหม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 พร้อมด้วยภิกษุสองเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทกกรรมมารบด์รประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับนายจุนทกกรรมมารบด์ว่าดูก่อนจุนทะท่านจงอังคาดอังคาดแปล ว, ว่าประเคนหรือถวายเนี่ยนะจงถวายเราด้วยสุกระมัถวะที่ท่านตระเตรียมเอาไว้จงอังคาดภิกษุสอ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้ก็คือตระเตรียมอาหารไว้หลายอย่างแต่ว่า ชิ้นพิเศษเนี่ยนะหม้อพิเศษก็คือสุกระมัถวะนั่นเองเป็นหม้อพิเศษนายจนท้กรร ม, มระบดทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็อังคาาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสุกระมัทวะที่ตนตะเตรียมเอาไว้อังค่าถวายอาหารแก่พิสุสง์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ตนตระเตรียมไว้ก็เนนับว่าเป็นทางที่น่าอนุโมทนาถาวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยนะ แต่คำว่าถวายสังฆทานเนี่ยนะแปลว่าเขาไม่ได้เจาะจงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม้ธรมเนียมจะต้องอนั่งกล่าวอยู่นั้นน่ยนะนั่งกล่าวนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นเหมาไม่ใช่เนี่ยนะคือเขาเพระธรรมะสังฆทานเนี่ยมันอยู่ที่เจตนา ม, ไม่ได้อยู่ที่คํากล่าวแล้วก็พอตระเตรียมถวายเสร็จแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส ก, กับนายจุนทะกรมมารบุตรว่าจุนทะ ท่านจงฝังสุกระมัทวะที่เหลือในหลุมเสียหมายความว่าอาหารก็พระ อ, องค์ก็รับเท่าเฉพาะที่พอฉันนะ่ะนะส่วนที่เหลือพระ อ, องค์ก็บอกให้ไปฝังในหลมุมเพราะเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกระมัทวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีนอกจากตถ า, าคตนี่นะ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 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสุกระมัทวะเนี่ยนะที่บอกว่าหมายถึงสุกระมัทวังคือปวัตตมังสะของสุกรตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งไม่หนุ่มนักไม่แก่นักหมายความว่าเป็นเนื้อเนื้อหมู น, นะเป็นหมูชั้นดีเป็นหมูอย่างดีแต่ไม่ได้แปลว่านายจุนทะฆ่ามาเองนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ได้มาโดยที่ไม่เสียศีลว่า ง, งั้นเถอะได้มาโดยชอบทำโดยที่ไม่เสียศีลเพราะปวัตตมังสะเนื้อนั้นจึงนุ่มสนิท อันนี้ตามมาติของอัธกถาทั่วไปเนี่ยบอกว่าสุกรามัถวะหมายถึงเนื้อหมู น, นะแต่เป็นหมูหมูตัวโตแต่อายุไม่มากแล้วก็ในอัธกถาพุทธวงก็กล่าวไว้อย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระอาหารพระพร ะ, พระกายอาหารหรือโภชนอาหารมื้อสุดท้ายนั้นเป็นเนื้ อ, อทุกพระองค์เลยเป็นประวัติ ม, มังสะเป็นมังสะคือเป็นเนื้อแต่ว่าบางพวกเขาบอกว่าไม่ใช่เนื้อหรอกอันนี้เป็นชื่อของข้าวสุกอ่อน ที่ปรุงด้วยเป็นจะโครสเนไอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้หมายคขาว่าเป็นข้าวที่หุงด้วยเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยอะไรเป็นตัวเอ๊ะขออภยัยนมส้มนมสดนมส้มเนยใสเปรียงแล้วก็เนยแข็งแล้วก็ถั่วอันนี้เรียกว่าขาวะปานะผสมน้ํากรว่าขนมผสมน้ํานมโคบางท่านบอกว่าอย่างนั้นอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าเป็นการปรุงเห็ด น, น, นะนะตามคัมภีร์หมายถึงเห็ดก็มี หรือบางพวกก็บอกว่าวิธีปรุงรสพิเศษชื่อว่าสุกระมัถวะที่มาในารัสายตนะศาสตร์เป็นวิธีการปรุงแต่งอาหารประเภทหนึ่งที่พิเศษแต่ก็กล่าวกันไปแต่ตามมติอธิกถาหมายถึงเนี่ยตัวเนื้อสุกรเนี่ยนะที่เป็นเนื้อหมูทีนี้อาหารเหตุผลที่บอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้เอาอาหารนั้นอะไปเททิ้งซะหรือเอาไปเททิ้งฝังในหลุม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 ตอนที่ปรุงเพื่อที่นางอาหารของนางสุดชาดานั้นก็ปรุงด้วยอาหารทิพมากเนยนะคือเทวดามาช่วยหยอดโอชาใสา่เทวดาทั้งหลายก็มาหยอดโ อ, าโอชาใสา่มาหยอดโ อ, าโอชาใสาเนี่ยนะจนอาหารนั้นอนะ่ะมนุษย์ธรรมดาทานแล้วไม่ย่อยเพราะโอชาทิพเนี่ยมันมากเหลือเกินเสร็จ แ, แล้วถามว่าเทวดาก็ทานไม่ย่อยเพราะว่ามันมีอาหารมนุษย์ปนอยู่ด้วยพันจะต้องเป็นคนที่มีบุญแล้วก็มีฤทธิ์มีอํานาจมากจึงจะฉันแล้วก็ย่อยได้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 ที่ให้ฝังเนี่ยนะเขเพราะอะไรเพราะว่าเดียวคนอื่นจะกล่าวว่าร้ายพระพุทธเจ้าคนที่เหตุที่ให้ฝังเนี่ยนะไม่ใช่บอกแม้พระพุทธเจ้าแม้เก็บของอร่อยอร่อยไว้ฉันคนเดียวแล้วก็ริษยาไม่ต้องให้คนอื่นฉันก็เอาไปฝังซะแม้เสียข้าวเสียของหมดเป็นต้นแต่จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าไม้ถึงว่าไม่มีใครทานแล้วย่อยได้นั่นเองกลัวจะมีโทษเนี่ยนะแล้วก็ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อกันข้อคอรหา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 พระนนท์ก็ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพัตตาหารของนายจุนทกกรรมมรบุตรเสร็จแล้วทรงอาพาธหนักใกล้ต่อนิพพานเมื่อพระศาสดาเสวยสุกรามัถวะแล้วเกิดอาพาธหนักพระผู้มีพระภาคเจ้าลงพระบงคนตรัสว่าเราจะไปเมืองกุศินาราทั้งทั้งที่ทายออกมาเป็นเลือดอ่อนเพลียแต่ก็จะต้องไปต่อ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 เบาบางเนี่ยนะก็คือป่วยแต่ว่าอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงทำให้มีแรงที่จะมีพระพุทธดำเนินต่อไปบทว่าวิเรจมานโนพระองค์นั้นออกพระโลหิตอยู่เนืงเองเนะืองะก็คือขับถ่ายขับถ่ายออกมาเป็นเลือดตลอดเลยเรียกว่าออกถ่ายออกมาเป็นเลือดนี่บ่อยมากเนี่ยนะนะก็อ่อนพลีหมดแรงเลยแหละ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 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าระหว่างที่เดินทางไปพระองค์ก็หลีกออกจากทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระนนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงช่วยปูผ้าสังขาติพับเป็นสีชั้นให้เราเราเหนื่อยเราจะนั่งเนี่แงว่าเดินไปเดินไปนก็เพลียเพลียนะก็เรียกว่าอะไรนะคนก่อนจะจุติหรือคนก่อนจะตายเนี่ยหมมันเพลียหน้ามืดเลยนะ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 เพราะคำว่าห้ามไม่ให้โคดื่มน้ําไม่ได้แปลว่าคุยกับโคดีๆนะเราเอาหวดปวาบเข้าไปเนี่ยนะมันต้องไปกินข้างหน้าอย่างเงี้ยนะท่นก็ด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยก็ให้กระหายน้ําแล้วก็ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเนี่ยนะโรงเรีองขนาดต้อนโคนะอย่างอย่างเงี้เลยนะเรื่องนะเรื่องเคเลี้ย ง, งโคมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านพระนลก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้เกวียนห้าร้อยเล่มข้ามไป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 พระนร น, นี่เห็นเป็นน้ําขุนอ่ะเพราะอะไรพราะพระพองค์เคยห้ามไม่ให้โคน่นนดื่มน้ําขุนพระนรนก็มาค้ร่บดึงเรื่องให้มันช้าแต่จริ ง, รงอ่ะพุทธานุภาพไปตักยังไงมันก็เป็นน้าําใสแ่ะเพราะพระพองค์มีบุญพระพองค์ไม่ไม่จําเป็นจะต้องได้ดื่มน้ําขุนอะไรหรอกแต่ว่าไอความที่กรรมเป็นปัจจัยเรครั้งที่สองพระพองค์ก็ตรัสกับพระพนร์ว่าอานนร์เธอจงนําน้นํานั้นมาให้เราดื่มเรากระหายเราจากดื่มน้ํา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 พระพุทธเจ้าอยากให้พระองค์เดื่มน้ําใสๆเย็นๆเนี่ยนะที่ที่แม่น้ําข้างหน้าแต่พระองค์บอกว่ารอไม่ได้พระองค์ก็ใช้สามครั้งท่านพระนนท์ก็รับพระดํารัสแล้วก็ถือเอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังแม่น้ํานั้นครั้งนั้นแม่น้ํานั้นมีน้ําน้อยถูกล้อเวียนบดขุนมัวไหลไปอยู่เมื่อท่านพระนนท์เข้าไปใกล้น้ําก็ใสสะอาดไม่ขุนมัวไหลไป ท, ท่านพระนรนก็มีพระดำรํำริว่านาสัจจรเนอเหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วความที่พระตถาคตเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากความจริงแม่น้ํานั้นอะ่ะมีน้ําน้อยถูกล็อกเวียนบทขุนมัวไร้ไปอยู่เมื่อเราเข้าไปใกล้กลับใสสะอาดไม่ขุนมัวไร้ไปอยู่แล้วก็ตักน้ําด้วยบาตรนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วแปลว่าอัจฉริยะอภูตธรรมเนี่ยน่าอัศจรรย์มากความที่พระตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อกี้นี้น้ํานั้นมีน้ําน้อยถูกเกวียนบดขุนมัวลหี้ไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เข้าไปใกล้กลับใสสะอาดไม่ขุนมัวลไลไปอยู่